น้อมน้อมต่อคุณองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นที่พึ่งกันสูงสุดของมนุษย์นาเทวดาทั้งหลายขอการพระอาจารย์ทรงสินเพื่อนสัตธรมิกทุกท่า น, นจเจริญธรรมม่ชีและยาติธรรมทุกท่านในวันนี้ก็เป็นวันสําคัญที่สุดของพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาเนาะเป็นวันที่ตรงกับวันประสูติตรัตตุและป ร, ะรินิพานองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้า วันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งนะแม้แต่องค์การสหประชาชาตินะหรือยนะูเอนก็ให้เป็นวันสำคัญของโลกนะเป็นวันที่ให้หลายหลายชาติเป็นวันหยุดนะเป็นวันหยุดราชการกันเพราะว่าพระเจ้านี้ก็มีคุณกับโลกเป็นอย่างยิ่งนะในการที่ให้ความสงบสงบสุขนะแล้วก็ความสันติ ความเจริญในธรรมแก่ชาวโลกทั้งหลายและอย่างหนึ่งพุทธศาสนานี้ก็ไม่มีปัญหาในเรื่องการเบียดเบียนผู้ใดนะไม่เคยมีสงครามศาสนาใดๆมีแต่ให้สิ่งที่ดีแก่มนุษยชาติเพราะนั้นก็จะเว็นวันสำคัญที่สุดวันหนึ่งของโลกทีเดียวนะดังนนวันนี้ก็ชาวพุทธทั่วโลกนะไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยก็มีการจัด งานกันนะเป็นการระลึกถึงโดยน้อมใจที่จะทํากุศลต่างๆร่วมกันเช่นมาทําบัดกันมีการบีนที่ต่างๆหรือทําบุญต่างๆเป็นต้นหรือแม้แต่เป็นการไปบัตรกันก็ เ, เป็นการบูชาแด่องค์ส ม, รรมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ได้ทรงมีเมตตามากรุณาที่คุณกับพวกเราทุกวันนี้นะให้พวกเรา ไ, ได้มีที่พึ่งที่อยวใสจนจะคนทุกได้ นะครั้นี้เนี่ยก่อนที่ถึงมีวันเนี่ยเป็นยังไงมาก่อนเนาะครั้นี้ถ้าย้อนหลังจะตั้งอาเซียสงไข่กับแสนหากลับนะในสมัยนั้นที่เมืองอามาลวตีนะก็จะมีดาบทู่องค์หนึ่งนะมีนามว่าสุเมธดาบทวันหนึ่งก็ได้ข่าวว่าพระธีปังกรผู้เจ้าจะเสด็จผ่านมาในในเมืองนั้นนะ ชาวเมืองก็เลยทำการปรับปรุงถนนกันใหญ่นะจัดทางเดินให้ดีนะตรงไหนที่เป็นรูปรูปนันดอ น, นมีน้ำขังอยู่ก็ช่วยเหลือกันทำเป็นถนนเพื่อให้ผู้เจ้าเนี่ยได้เดินผ่านอย่างสะดวกในขณะนั้นผู้เจ้าก็ทรงเสด็จมาแล้วพร้อมกับสาวกจำนวนมากมายแต่ว่าพื้นถนนก็ยังไม่เรียบร้อยนะยังมีบางแห่งที่ยังขุ่นขาแล้วก็มีน้าขังอยู่ ซึ่งการเดินผ่านก็จะทำให้มีการโสกเกิดขึ้นนะเพราะต้องเดินย่ำไปในโคนในขณะนั้นสุมเมธดาบทก็ได้ตัวเองอาวางท่อเป็นสะพานลงไปที่พื้นนั้นนะเพื่อที่จะให้พระเจ้าได้เดินผ่านไปบนตัวของตัวเองนมะุดหลังตัวเองนั่นเอง พรอกับได้ตั้งจิติอธิษฐานในการที่กระทำเฉะนั้นเพื่อที่จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในนาคตการนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเดินดำเดนินไปผ่านไปบนหลังของสุเมธาดาบทแล้วก็ได้หันกลับมาที่สุเมธาดาบทพร้อมนนั้นก็ได้ทรงพยากรณ์ว่าในนาคตการนะสุเมธาดาบทก็จะได้เป็นพระพุทธเจ้าองค์หนึ่งในอนาคต หลังจากที่ได้ฟังคํำพยากรณ์เช่นั้นแล้วนะก็ได้ชื่อว่าเป็นท้าวโพลิตต์นะที่จะบําเพ็ญบารมีเป็นผู้เจ้าองค์หนึ่งในนาคตการ ท, ทําไมถึงจะต้องทําเช่นนั้นนะซึ่งความจริงถ้าหากว่าสุมเมธดาบทฟังธรรมจากผู้เจ้าแล้วก็ไปบัติธรรมในสมัยนั้นก็มีโอกาสสาเร็จเป็นพระขันได้องค์หนึ่งแต่ด้วยความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ ที่จะต้องการช่วยเหลือมอมนุษยาชาติเนี่ยให้พ้นจากความทุกข์ในกายในใจและการเวียนบายตายเกิดอย่างแท้จริงก็เลยอยอมเสียสละตัวเองอในการสร้างบารมีซึ่งใช้เวลานานถึงเสียสงไข่กับแสนมหากับนะครับนี่บางคนสงสัยว่ากรับหนึ่งนี่มันยาวขนาดไหนนะก็มีการเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าผู้เขาลูกหนึ่ง้วนะมี ความกว้างยาวคือความสูงความกว้างและความยาวเป็นสี่เหลี่ยมตั น, นข้างละหนึ่งวาข้างข้างละหนึ่งโยชนะมีความสูงใหญ่ความกว้างความยาวและความสูงข้างละหนึ่งโยชนยต่อเมื่อร้อยปีก็จะมีนางฟ้านนำผ้าแพมาลูบสักครั้งหนึ่ง เมื่อรูปจนภูเขานั้นเสมอกับพื้นดินเมื่อไหรนั่นแหละก็คื อ, อหนึ่งกับนะจะดูว่ายาวนายขนาดไหนเนาะการที่การสร้างบรมีก็ไม่ใช่ง่ายๆนะเพราะการที่จะสร้างบรมีก็ต้องไปเวียนบายสายเกิดในพรุทต่างๆมากมายนะเพราะนั้นผู้เจ้าก็มีประวัติที่บางชาติก็ไปเกิดเป็นมหาเศรษฐีบ้างเป็นเทวดาบ้างเป็นพรมบ้างเป็นกษัตริย์บ้างนะบังชาติก็ไปเกิดเป็นกษัตร์เดชาน เป็นศัตวโ ก, ก็มีนะเพื่อการสร้างบา ร, รมีต่างๆให้เต็มนั่นเองจึงต้องไปเวียนว่ายใจเกิดในพบชาต่างๆเพื่อที่จะรู้นะในสัมผัสในภพคุณต่างๆว่าเป็นอย่างไรนะจะได้นําสิ่งเหล่านั้นมาเป็นประสบการณ์ในการสั่งสอนทรัพย์ทั้งหลายและการสร้างบา ร, รมีนี่ก็ต้องสร้างบา ร, รมีถึงบา ร, รมีสนะิบทัศน์นะบารมีสิบทันมีอะไรบ้างนะก็มีมีทานนะ มีศีลมีนขัมมะมีวิระิยะมีปัญญานะมีขันตินะมีสัจจะอธิษฐานมีเมตตาและเบคาเนี่ยบารมีสิกทั์เนี่ยต้องสร้างมาตลอดระยะเวลาอันยาวนานนั้นนะเพื่อที่จะเป็นผู้เจ้าองค์หนึ่ง หลังจากนั้นก็มาถึงในยุคของพวกเรานะคือยุคพุทธกัปนะ เ, เรียกว่าพัทธกัปนั่นเองนะพัทธกัปนีนะ้หมายถึงกัปที่เจริญนะก็จะมีพระเจ้าอยู่ห้าพระองคนะ์องค์แรกคือ ก, กัุสันโธองค์สองโกนาขัมโนองค์ที่สามกับสโตองค์ที่สพระโกธรมโมและองค์สุดท้ายก็คืออริยมรรยโยนั่นเองนะมีห้าพระองคนะ์เพราะนั้นใน จากสมัยทัดาบทก็สร้างบา ร, รมียาวนานจนได้เกิดมาเป็นโคตมโมนะหรือองค์สมเด็จสัมามาสุนทรเจ้าของเรานั่นเองเนาะอันมีนามโคตมะว่าคือโคตมะนั่นเองนะอันนี้เป็นชื่ อ, อของสกุลของพระองค์แต่ก็ต้องเป็นนามที่ว่าพระพิจารณาเรานั้นนะในสมัยก่อนนั้นก็มีนามว่าสิทธาษนั่นเองเนาะในยุคปัจจุบันนี้นะ การทราบเรือมื่ออายาวนานเช่นนั้นก็เป็นความเมตตาที่ยิ่งใหญ่ที่จะนํำสิ่งต่างๆมาให้กับพวกเรานั่นเองเนาะครั้นี้เนี่ยหลังจากที่ทรงประตูแล้วเราก็ทราบกันอยู่แล้วนะหรือแม้แต่ปริญญาพานเราก็รู้อยู่แล้วแต่ความสาคัญก็อยู่ที่การตัดสินรู้นั่นเองเพราะถ้าไม่มีการตัดสิรู้แล้วพระเจ้าก็คงจะไม่บังเกิดขึ้นมาอย่างแน่นอนครั้นี้การตัสรู้นั่นก็คือวันเพ็ญเดือนหกนะก็คือเมื่อ2องพันหรอกว่าปีก่อนนั่นเองนะ หลังจากที่ได้ทรงศึกษาเล่าเรียนต่างๆมามากมายนะก็เห็นว่ามันไม่ใช่ทางคนทุกนะ ไ, ได้ไปศึกษากับฤาษีต่างๆนะกับครูบาอาจารย์ต่างๆมากมายกับเจ้าระทิตต่างๆอีกมากมายนะกับอ า, าลาระดาบทเล่าเทวดาบทเป็นเวลาถึงหกปนะีเพื่อหาทางคนทุก ท่านเจ้าสำนักต่างๆนะบอกให้มาเถิดนะมาเป็นอาจารย์ด้วยกันนะท่านมีความรู้เสมอกับเราแล้วนะพระเจ้าทรงเห็นว่าไม่ใช่ทำพ้นทุกสิ่งนะจึงต้องออกมาศึกษาด้วยตัวเองนะก็หลังจากนั้นก็ใช้วิธีการอดอาหารนะมีการทรมานตนต่างๆโดยอัตตากิรมาานุโยกนะการอดอาหารถึงสี่เก้าวันนะจนกระทัง่งนะร่างกายผอมนะจนนะ หลังท้องข้างหน้าแทบจะจดแผ่นหลังข้างหลังเลยนะอมมากอดอาหาร49วันในขณะนั้นปัญญวคี์ก็มีความยินดีว่าผู้เจ้านี้ต้องบรรลุธรรมอย่างแน่นอนนะเพราะว่าได้กระทาจนถึงที่สุดแล้วแล้วก็ทรงสลบมาต้องหลายครั้งเป็นเวลาถึง6ครั้งแล้วนะการทรเช่นนี้ก็เรียกว่ายากที่จะมีใครที่จะทาเช่นนั้นได้ แต่ในตุลก็ตรงเห็นว่าไม่ไดทางคนทุกก็ดีก็เลยใช้ทางสายกลางนะทางสายกลางเอาก็าคืออการที่เราจะหิวเกินไปมันไม่เกิดปัญญาอย่างแน่นอนนะเพราะร่างกายที่หิวมันก็เป็นสิ่งที่ว่าไม่มีกําลังเมื่อไม่มีกําลังแล้วปัญญาก็ย่อมไม่เกิดนะและการกินอิ่มเกินไปมันก็ไม่ดีเหมือนกันนะมันก็ทําให้เราง่วงนอนนะเกิดการเกิดคลานเพื่อนทางสายกลางก็คือกําลังดีนดั่นเองนะอันนี้ก็เหมือนพวกเราเหมือนกันนะอนะ เขาเราเหิวไปแล้วก็จเจ็บป่วยไม่ดีนะเราอิ่มไปแล้วก็ง่วงนอนนะก็เ ร, ะเราก็เอาทางสายกลางในดีกว่านั่นเองเนาะทางสายกลางนี้นะหลังจากที่ได้ทรงพิจารณาเชนั้นแล้วก็เริ่มต้องประทานอาหารอีกครั้งหนึ่งนะจากนางสุชาดานะที่นําอาหารมาถวายในวันนั้นนะในครั้งแรกก็เห็นพระเจ้าอก็คิดว่าเป็นเทวดาเนะเป็นเทวดาก็เคยบนอาไว้ก็นําอาหารมาถวายพระเจ้าก็รับอาหารนั้นนะ ก็มาอ่ารับประทานเสร็จแล้วเนี่ยพระเจ้าคีเห็นว่าโอ้อันนี้นะ่ะพระเจ้าก็คงจะเป็นผู้มากๆเสร็จเสร็จแล้วนะอก็เลยหนีกันไปหมดพอหนีไปหมดก็เกิดความสงบขึ้นม า, แ ล, าแล้วต่อมาก็ได้ได้ญ้าได้ญ้ามาในตอนเช้ามีผู้ถวายมาก็ทรงม า, มานั่งเป็นบรรลังนะเป็นบรรลังในการที่จะนั่งปฏิบัติในคืนนี้นั่นแหละ ก็คือคือวันเพนเดนหกนี่แหละเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีก่อนทงตั้งจิติฐานว่าตราบใดที่ยังไม่รู้ธทมแม้ว่าร่างกายนี้กระดูกหนังเอง็นเลือดจะแห้งไปก็จะไม่ยอมลุกจากสถานที่อันนั้นเป็นอันขาดจะยอมตายไปนะก็คือการเอาชีวิตเข้าแลกในวันนั้นเลยนนและในแลวก็สุดได้ตรงใชนะ้อานาปานสติเป็นเครื่องอยู่ในตอนแรกนะ ในขณะนั้นในยามที่หนึ่งก็ได้ทรงบรรลุปุเพนิวาสารุสติยานก็คือยานเป็นเครื่องระลึกได้ถึงดีตชาตาิต่างๆซึ่งได้เคยบังเกิดมาแล้วในภะพภูมิชาไม่ท้วนในยามที่สองก็ได้ทรงบรรลุจุตูวปฏตยานก็คือยานเป็นเครื่องรู้นะาการกําเนิดของสัตว์ต่างๆว่ามีบุญมีกรรมอะไรนําให้ไปเกิดในภพชาตาิต่างๆเหล่านั้นนะ แล้วในยังี่สามก็ได้ทรงบรรลุอัตวกคยายานก็คือยานทําให้กิเลสในใจหมดสิ้นไปนะก็ได้บรรลุเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้านะ น, นี้เป็นเครื่องที่สําคัญมากนะทํากิเลสในใจใ ห, หมดสิ้นไปนั่นเองครั้นี้นะ่ยที่บรรลุจริงๆก็คือได้ทรงเห็นแจ้งซึ่งอริยสัจสี่นั่นเองนะอริยสัจสี่ก็คือภูมิสมุทยัยนิโรธมรรคนี่แหละเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะ ครั้นี้เนี่ยตรงนี้เดี๋ยวจะกล่าวถึงที่หลังอีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะครั้นี้มือว่าถึงว่าผู้เจ้านี้มีความต่างจากศาสนาอื่นอย่างไรนะในในโลกนี้จะมีหลายศาสนานะแต่ศาสนาที่เป็นหลักจริงๆเนี่ยในโลกนี้ก็มีสามอย่างก็คือศาสนาคิดศาสนาอิสลามและศาสนาพุทธเนี่ยเป็นหลักครั้นี้แต่ละศาสนานี่ก็จะมีพระเจ้าเนี่ยเป็นหลักของตัวเองนะก็คือมีความรับถือเลื่อมใสในพระเจ้าเนี่ยเป็นหลัก ตรงนี้จะต่างกันนะอส่วนคําพุทธสนานี่ไม่ได้นับถือพระเจ้าเป็นหลักแต่จะนับถือองเ์สมเด็จตัมมาองคเจ้าว่าเป็นผู้ชีน้นําและก็จะนําอาจจะศึกษาปฏิบัติตามพระธรรมที่ได้ส่งสั่งสอนไว้อจะต่างกันนะครั้นี้ในศาสนาหลายศาสนาเนี่ย จ, จะบอกว่าอการที่เราอเป็นคนดีเป็นคนชั่วนะมีความสุขมีความทุกข์ก็เพราะว่าพระเจ้าเนี่ยเป็นผู้ลิ่ยงคิดเป็นผู้กําหนดมาแล้วนะ นะเพราะทั้งสิ่งต่างๆว่าเราเนี่ยเกิดจยากพระเจ้าเป็นผู้กระทําให้เป็นผู้ที่บันดาลให้เป็นผู้กําหนดเส้นทางมาแล้วนะแต่ของพุทธศาสนานี่บอกว่า เ, ออเกิดจากกรรมที่เราทําขึ้นมาเองนะได้ทรงกล่าวไว้ว่าผู้ใดหว่านผู้เช่นใดก็ได้รับผลเช่นนั้นนะผู้ใดทํากรรมดีย่อมได้รับผลดีผู้ใดทํำกรรมชั่วย่อมได้รับผลชั่วนะอันนี้จะต่างกับนะบางศาสนานะเพราะว่ามันไม่ได้ว่ามีใครมาเลิกยคิดให้เรา แต่ทุกอย่างที่เราดีชั่วมีความสุขมีความทุกข์ทุวนนี้ก็เกิดจากการกระทาของเราเองนะอันนี้เป็นสิ่งี่ต่างกันไปอย่างยิ่งนะในศาสนาต่างต่า ง, างขณีจากจุดตรงนี้เราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่ต้องมีพระเจ้าที่ไหนไมาได้คิดเราหรอก เราสามารถลิขิตตัวเราเองได้อยู่แล้วนะเราจะดีจะชั่วก็อยู่ที่ตัวเราเองไม่มีใครมาทําให้เราเพราะฉะนั้นก็มีคำบางคําบอกไว้ว่าไม่มีคําว่าบาังเอิญในพุทธศาสนานะบางทีการที่เราประสบความทุกข์หรือความสูงต่างก็ไม่ใช่เป็นสิ่งที่บังเอิญแต่เป็นสิ่งที่เราได้เคยกระทํามาแล้วและว่าสิ่งเหล่านั้นก็มาสนองเราในปัจจุบันนี้นั่นเองนะอันนี้ที่เป็นสิ่งที่ว่าเป็นความยุติธรรมนะพราผู้ใดที่ทําดีก็ย่อมได้ดีผู้ใดทําชั่วก็ย่อมได้ชั่วนะ เพะนั้นผู้ใดที่ทําได้ถูกต้องก็ย่อมไปพ้นทุกข์ได้โดยตัวเราเองไม่ต้องมีผู้ใดที่จะมากําหนดหรือมาบัณดาลให้เราเป็นเช่นนั้นนะอันนี้เป็นคนทางที่แท้จริงนะที่เราจะเดินกันนะท่านนี้ผู้เจ้าอย่างที่ว่าแล้วก็ท่านก็ไม่ได้เป็นพระเจ้าหรือเป็นบุตรของพระเจ้ามาก่อนแต่เป็นพลุชนเหมือนกับพวกเราเหมือนกันนะแต่ความเป็นพลุชนนั้นเนี่ยก็มีกิเลสตัณหาเหมือนกับเราเหมือนกันเช่นเดียวกันนะ ถ้าไม่ได้เสริดมาปุ๊บ ก, ก็เป็นพระอรหันต์เลยน ะ, ะท่านก็มีกิเลสมันก็เราแต่ว่าท่านได้ค้นหาผลทางโดยตัวท่านเองว่าทําอย่างไรกิเลสจิ ง, งหมดไปจากใจของท่านหนะลังจีกท่านใช้เวลาค้นหาถึงราวหกปีท่านกั็พบทางนี้แล้วเออมันพ้นทุกได้จริงๆนะนะการที่ท่านพ้นทุกได้จรงแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเหมือนกับไข่นะที่มีลูกไก่เจาะมาได้นะลูกไก่ที่สามารถเจาะไข่มาได้ตัวแรกนั่นะแหลนะ ก็คือผู้ที่สามารถบรรลุทุกได้ด้วยตัวเองน ะ, ะครั้นี้นะ่ะท่านก็เลยเอาวิธีการเจาะไข่นะมามาบอกลูกไก่ตัวอื่นว่าเออวิธีเจาะไข่เจาะอย่างไรนะเ พ, พราะถ้าบุไตรเจาะได้ถูกต้องก็สามารถที่เจะออจากไข่ก็คือออกจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ทุกตัวทุกคนนะนะ อันนี้ก็คือผลทางท่านได้เดินมาแล้วแล้วท่านก็นําหนทางนั้นมาบอกคนอื่นต่อว่าทำชั้นนี้ชั้นนี้เอหรือเดินชั้นนี้ชั้นนี้ก็จะพ้นทุกได้ทุกคนะอันนี้เป็นฝ่ายระทความจริงเลยนะเป็นการเอามาตีแผ่ว่าเราจะพ้นทุกได้อย่างไรนะเพราะความทุกของเราในจริงๆแล้วเนี่ยมันมีทางกายหรือทางใจความทุกทางกายก็คือความแก่ความเจ็บความตายนะเพราะเราเกิดมาแล้วเราก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแน่นอนไม่มีใครหนีพ้นนะ หลังนั้นก็มีการพลาดพาดจากของรักของชอบใจก็เป็นทุกข์ประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจก็เป็นทุกข์ความทุกข์ต่างๆนี้มากมายนะก็คือในทางร่างกายมีเยอะแยนะรวมทั้งจิตใจเราด้วยก็มีความทุกข์ทางกายและทางใจแต่ความทุกข์ที่ว่าจะพ้นทุกข์จริงๆนั้นที่พระเจ้าได้ส่งสอนนั้นไม่ใช่พ้นทุกข์ทางกายนะอันนั้นมันมันเป็นเรื่องที่ว่าเขาเป็นไปตามธรรมชาติของเขาอยู่แล้วนะ แต่ได้สรงสอนในเรื่องการพุทธทัทงใจนะการพุทธทัทงใจนี่ก็คือความพุทธที่แท้จริงนะอย่างเช่นพระอรหันต์เป็นต้นนะท่านก็มีความทุกข์ทางกายนะมีความเจ็บความแก่ความตายเป็นเรื่องธรรมดาของท่านแต่ใจท่านก็ไม่ได้ทุกข์ด้วยนี่แหละคือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงต้องการให้พวกเรานะพุทธทัทงใจกันนะ การพุทพ้นทุกข์ทางใจก็คือหมายความว่าทำให้พิษทางใจเนี่ยดับไปนะเพราะพวกเราเนี่ยก็เป็นโรคภัยกันทุกคนก็คือโรคทางใจนั่นเองนะโรคทางใจเนี่ยมันทำให้เรามีความทุกข์มาตลอดนะมีความยินดีมีความยินร้ายมีความไม่พอใจมีความโกรธมีความกลัวมีความเหงาความเครียดความถึงห่วงความอิจฉารยาต่างๆเหล่านี้ก็คือความทุกข์ทางใจทั้งหมดนะ ถึงแล้วเนี่ยจริงๆแล้วคือความทุกข์มาต่อชีวิตก็คือสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนะแล้วมันก็จะไม่หมดไปจากใจของเราตลอดชีวิตเลยมันก็ปรากฏขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปเดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็ไปนะคือความทุกข์ทางใจนี้แหละนะมันนําความทุกขที่แท้จริงมาเราและความทุกข์ทางใจที่มันยังไม่หมดสิ้นนะมันก็เป็นกินเลส ท, ที่ฝังในใจนะแล้วเมื่อถึงเวลามันก็สามารถไปเกิดใหม่ได้นะเหมือนกับ ต้นไม้ที่เราอยู่ขนาดเนี่ยบางต้นสูงถึงสาสิบเมตรนะกเกิดจากเล็กเล็กนิดเดียวท่านนั่นเองแต่มันจะมีเชื้ออยูนะ่พอตกไปในพื้นดินนะได้รับอุดมสมบูรณ์กับพื้นดินก็สามารถโตเป็นต้นไม้ใหญ่ได้ฉันใดจิ่งเราที่มีกิเลสไม่เพียงเล็กน้อยนะมันจะไม่หมดไปนะนั่นแหละ มันก็ทำให้เราต้องไปเวียนว่ายไเกิดในภพภูมิต่างๆถึงสารเด็ดภูมิได้ได้รับความทุกข์ตลอดไปไม่ว่าจะในชาตินี้หรือชาติหน้านก็เกิดจากโรคทางใจชพิพยังไม่หมดไสนั่นเองนะมันมีโรคภัยอยู่แต่พระเจ้าเนี่ยราคืหมอนั่นเองนะเป็นหมอที่จะรักษาโรคทางใจของเราแล้ท่านก็ให้ยามาคือธรรมะที่ท่านให้มาแล้วนั่นแหละ ให้เป็นยาให้เรารับประทานคราวนี้ถ้าเรารับประทานแล้วเนี่ยมันก็สามารถที่จะพ้นจากโลกนี้ได้จริงนะการรัะทานก็เกิดจากการที่เราปฏิบัติธรรมนั่นเองนะเจริญด้วยศีลสติสมาธิปัญญานั่นเองก็คือยาที่เรารับประทานแล้วนะแต่ถ้าเราไม่รับประทานนะก็คือยามันตั้งอยู่เฉยๆนะก็คือธรรมะที่ท่านให้มาแล้วเนี่ยเราไม่มาปฏิบัติตามก็คือเราไม่รับประทานยานเองเราถามว่าเราจะพ้นทุกข์ไหมนะ มันก็ไม่พ้นทุกแน่นอนใช่ไหมไม่ว่าอยู่ที่เราจะรับประทานไหมการรับประทานนี้เราก็ต้องรับประทานด้วยตัวเองเรานะจะให้ผู้รับประทานแทนเราก็ไม่ได้นะเป็นติ่งเราต้องทำเองด้วยตัวเราเองเราจึงพ้พทุกได้ด้วยตัวเราเอง เ <c oughs> <c oughs> นี่ยจริงว่าผู้สนานี่มันต่างกับศาสนาอื่นอื่นก็งตรงนี้นั่นเองนะเพราะนั้นทุกวันเนี่ยชาวโล ก, กสนใจกันมากเลยนะอย่างถ้าเป็นยุโรปหรืออเมริกาเนี่ยบอกว่าถ้าใครบอกนับถือผู้สนานนี่รู้สึกก็จะเป็นคนไฮคลาสนะเป็นคนระดับชั้นสูงเลย จะมีความภูมิใจมากโอ้เรานับผืนพุทธนามีความภูมิใจมากเหมือนคนทางสงมัยนะเป็นความภูมิใจของคนยุโรปและคนเมกกาในทุกวันนี้แล้วทุกวันนี้เขาเผยแพร่กันเองนะพระไทยนะจริงๆริงแล้วเป็นผู้เปกระตุนเท่านั้นเองแต่จริงๆแล้วเขาเผยแผ่กันเองอยู่แล้วนะเขาตั้งเป็นสำนักเป็นชมรมเป็นสมาคมต่างๆในการเผยแพร่พุทธนากันะกอย่างมากมายกว้างขวางนะเขาก็รู้แล้วว่าคุณทางการพุทธนี่เป็นอย่างไรนะมันต่างกันจริงๆนะ เพราะความจริงคืออะไรนะความจริงก็คือความเป็นอ น, นิจจังทุกขณาตาในโลกนี้เป็นปัจธรรมนะปัจธรรมหมายความว่าเป็นของจริงนั่นเองนะเพราะฉะนั้นทุกสิ่งในโลกนี้นะไม่ว่าจะเป็นตัวเราบุคคลตัวตนเราเขาทั้งหลายแหล่สัตว์ทั้งหลายสิ่งก่อสร้างทั้งหลายหรือธรรมชาติทั้งหลายภูเขาต้นไม้เป็นต้นคือทุกสรรพสิ่งทั้งหลายก็ตกในกฎปัจยลักษณ์ทั้งสิ้นนะคือความเป็นอ น, นิจจังคือความไม่เที่ยง ทุกขังก็คือความที่ตนในสภาวะเดินไม่ได้อนัตตาก็คือความที่ไม่ใช่ตัวไม่สนบังคับบัญชาไม่ได้เนี่ยทุกอย่างตกในกฎพระไตรลักษณ์ทั้งนั้นเลยนะคราวนี้ถ้าผู้ใดที่เข้าใจกฎพระไตรลักษณ์แล้วเนี่ยเข้าใจแล้วก็สามารถที่จะอยู่กับกฎพระไตรลักษณ์ได้อย่างแท้จริงนะผู้นั้นก็จะต้นจากความทุกข์ไปได้ส่วนผู้ใดที่ไม่เข้าใจกฎพระไตรลักษณ์และอยู่ไม่ได้ผู้นั้นก็จะมีแต่ความทุกข์ตลอดไปนะ อันนี้นี่คือหลักเสจีธรรมของโลกนี้แล้วนะเพราะไม่ว่าจะเป็นผู้ใดในโลกนี้นะว่าผู้ชายผู้หญิงเด็กผู้ใหญ่หรือนักภูทรศาสนาใดๆก็ตกในกบทใัยรัดทั้งสิ้นนะ ครั้นี้เนี่ยศานาพุทธนี่เป็นผู้เป็นศาสนาเดียวพีชี้ว่ า, ากฎสตใายรักษ์นี้เนี่ยความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์แรกนัตตาเราจะอยู่เขาได้อย่างไรนะจะจัดการกับตรงนี้ได้อย่างไรนะเพราะถ้าบุไดรอยู่ไม่ได้ก็คือทนความทุกข์ไม่ได้เองเพราะความไม่เที่ยงก็คือความทุกข์นั่นเองนะหรือความทุกข์ก็คือความทุกขนะ์อนัตตา คือความที่ไม่ตัวไม่ตนบังคับบัญชาเขาไม่ได้มันก็คือความทุกข์ทั้งสิ้นนะศาะสานาพุทธเป็นศาสนาแห่งแท้จริงที่แสดงถิงกฎรู้ไตรทาความจริงในโลกนี้ว่าจะออกจากความทุกข์จากกฎไตรักษณ์นี้อย่างไรได้อย่างไรนะ เนี่ยเป็นปัญหาหรือเป็นประเด็นสําคัญเลยที่อถือว่าเป็นไฮไลท์ของพุทธศาสนาเลยก็ได้ที่ชาวโลกทุกวันนี้มีความสนใจในพุทธศาสนากันว่าพุทธศาสนานี้พูดแต่ความจริงนะแล้วก็ทําได้จริงแล้วออกจากความทุกข์ได้จริงๆด้วยนะ <S <S <S คณิจาการที่พระเจ้าได้ทรงตัสรุปอริยสัจสี่นี่แหละก็มีทุกสมุทัยนิโรธมรรตนะทุกเนี่ยเป็นสิ่งเราต้องรู้น ะ, ะทุกนะ มีอะไรก็มีความทุกกายทุกใจนะอ่างอย่างเราสวดมนต์มวัชชาทุกวันน ะ, ะชาติเป็นทุกขามรณงเป็นทุกขังความเกิดความแก่ความเจ็บความตายเป็นทุกข์นะโกกกะปริเทวทุกขะทบนะสุปายาสาปินะ ความที่ติดของเรานะมีความเศร้าสร้อยความเหงาหงอยต่างๆนะพัดผ้าจากสิ่งที่รักที่ชอบใจนะการประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่ชอบใจก็คือความทุกข์นั่นเองก็คือความทุกข์กายทุกข์ใจนั่นเองนะทั้งหลายแหล่ก็คือความทุกข์ทั้งสิ้นที่พระองค์ได้ทรงชี้เอาไว้นะอันนี้เป็นสิ่งเราต้องรู้นะต้องรู้สมุทยัยคือสาเหตุแห่งความเกิดทุกขนะ์เป็นสิ่งเราต้องละ ครานี้ถึ่งต้องแล้วนี่มีอะไรบ้างเนะีก็คือยายางตันหาโตโนผิวการนันทิราคะสากตาตัตละตัตราพินันทินีก็ได้แก่ตันหาทั้งหลายเหล่านี้นะอันเป็นเครื่องทําเราต้องไปเกิดใหม่อีกอได้แก่ความกําหนัดความเพลิดเพลินไปในกาลทั้งหลายสระยชน์ที่ทั้งได้แก่สิ่งเหล่านี้คือกามาตันหา ภาวะตันหาวิภาวดันหานะการตันหาก็คือความยินดีในการทั้งหลายก็คือรูปรสกลิ่นเสียงโกรธท่พะธรรมาลมณภาวะตันหาก็คือความยินดีในความอยากได้อยากมีอยากเป็นทั้งหลายแหล่นะวิภาวดันหาก็คือความที่เราผักใส่ความที่ไม่อยากได้ไม่อยากมีอยากเป็นทั้งหลายแหล่นี่แหละตันหานี่แหละคือสมุทัยนั่นเองนะและสมุทัยก็คือเป็นสิ่งเราต้องละครั้นี้เราจะละไดอย่างไรนะ การรัก็คือมาสู่นิโรธนะนิโรธกแปลว่าความดับเพราะทุกขนิโรธก็คือการดับทุกข์นั่นเองก็คือนิโรธนะทุกขนิโรธะก็คือความดับทุกข์ท่านนี้เราจะดับทุกข์ได้อย่างไรนะก็ได้ทรงสรัสว่าโยตัสาเยวะตันหายะอาศะวิลาคะนิโรโทรจารโครปนิสักโคนตินาโลนะก็คือการดับทุกข์โดยไม่เหลือนั้นก็เกิดจากการวิลาคะก็คือการคลายออกจากาตันหายนะ นิโรธโคก็คือการดับไม่เหลือของตัณหาจาโคคือการสละดพื้นงตัณหาปฏินิสัพโคลคือการสลัดขอของตัณหามุติคือการปล่อยการวางของตัณหาอนาโยคือการทําให้ตัณหาไม่มีที่จะใสก็คือเมื่อเราสามารถที่จะเข้าใจเรื่องตัณหาแล้วเราก็ต้องคลายออกจากตัณหานน่เองนะพอคลายออกแล้วเนี่ยมันก็จะนิโรธโจาโคปฏิสัพโคลมุติอนาโยไปเลยนะก็คือทําให้ตัณหาเนี่ยดับไปนะ ก็คือในขั้นแรกเนี่ยเขาต้องเกิดการคายาจากตันหาก่อนคราวนี้วิธีการจะคายออกจากตันหานี่จะทำอย่างไรนะก็คือต้องดำเนินมาร์กเมียงแปดนั่นเองเนะมาร์กเมียงแปมาร์กเมียงแปดเนี่ยเป็นขนทางที่จะทาให้ตันหาคายออกนะก็คื อ, อใน มีอยู่แปดข้อนะก็คือสัมมาทิฏฐิก็คือมีความเห็นชอบสัมมาสังกัปโตมีดํำริชอบสัมมาวาจามีวาจาชอบสัมมากรรมันโตการงานชอบสัมมาชีโวอาชีพชอบสัมมาวาญาโอมีความเพียรชอบสัมมาสติมีความรู้ชอบแล้วสัมมาสมาธิก็คือมีจิตตั้งมั่นชอบนั่นเองนะรวมสรุปก็คือมรรคคือศีสติสมาธิปัญญานั่นเองนะพอดูผู้ใดปฏิบัติตามหลักเหล่านี้แล้วเนี่ย ก็จะเห็นได้ว่าเออทุกอย่างเนี่ยมันก็คือความไม่เที่ยงความทุกข์และนักตานั่นเองเราบังคับมัญชัยเาไม่ได้ทั้งสิ้นเลยนะก็คือการและใจนี่แหละเรามังคับมัญชัยเาไม่ได้เลยเมื่อไปบัตรธรรมก็จะเห็นรูปและนามเนี่ยเป็นของเขาเองนะเราบังคับเขาไม่ได้ใช่ไหมเขาเปิดเขาดับของเขาเองใช่ไมเขาเป็นกะเพาบะที่เราทําอะไรเขาไม่ได้จริงๆเราจิตเราจะยอมรับเขาตามความเป็นจริงเท่านั้นเองเมื่อจิต เกิดการยอมรับในความเป็นจริงในรูปรนามนี่มันก็แสดงอาการเราเห็นในความเกิดและความดับอาการแยกออกอรูปนามแลังจากก็จะเกิดการคลายจากความยึดติดในการแน่ใจนะมันคลายออกมันก็เข้าสู่วิราคะทันทีเลยนะแล้วมันก็หลังนั้นก็ไล่ตามลำดับอย่างที่ว่าแล้วมันก็จะละจะตันหาได้นะ พอโมระตันหายไปแล้วเนี่ยปั๊บเนี่ยเขาเรียกว่าสมุทยก็คือเมระตันหายคือละสมุทยนั่นเองอสมุทัยเป็นถึงต้องล ะ, ะเมื่อละปุ๊บเนี่ยนีโรดก็จะเกิดขึ้นทันทีเลยนะเกิดขึ้นทันทีเลยเนี่ยอันนี้ก็คื อ, อ หลักการในการที่เรามาปฏิบัติธรรมกันเพราะว่าเราต้องการที่จะนิโรธกันทุกคนนะก็คือต้องการดับทุกข์หรือต้องการเข้าถึงวิพญาณเราก็ต้องมาทําให้เกิดซึ่งสื่นส ต, ติสมาธิปัญญาเพื่อให้เกิดวิลาคร ะ, ะก็คือการที่เราจ ะ, ะละปัญหาทั้งหลายนั่นเองนะว่าปัญหาก็คือต้นเหตุแห่งความทุกข์ทั้งหลายนั่นเองนะี่ยครั้งนี้เนี่ยทําไมเราจะต้องมาทําเช่นนี้กันนะ บมงคนบอกว่าเราไม่มีความทุกข์อะไรเลยนะเราไม่เห็นต้องทําอะไรก็ได้สมัยก่อนนะักเคยไปชวนเพื่อนมาปฏิบัติธรรมเพื่อนถามว่าปฏิบัติไปทําไมเขาบอกว่าปฏิบัติแล้วความทุกข์เราจะได้น้อยลงไปเขาบอกก็ไม่มีความทุกข์อะไรเลยน ะ, ะก็เป็นเรื่องจริงของเขานั่นแหละชั เพราะว่าเขาไม่ทุกข์ลหรอกแต่ว่า เ, าเพราะว่าเขาไม่เห็นความทุกข์นั่นเองนะเขาอยากจะกินก็ได้กินอยากจะเที่ยวก็ได้เที่ยวอยากจะนอนได้นอนอยากจะดูหนังก็ได้ดูหนังแต่ว่ามันก็หนอง ก, กินเละทันทีหนอ่องตัณหาทันทีมันจะไปเห็นความทุกข์ได้อย่างไรนะการที่เรามาอยู่วัดนี่แหละเป็นการที่ว่าเรามาฝืก น, เเกกนกิเลสเรามาทนกิเลสเราเองนะเราเราเห็นความจริงว่าเออจิตของเรานี่มันมันดิ้นทั้งวันเลยนะมันอยากจะทําอยากมันทํา อย่ากไปเที่ยวอยากไปดูหนังฟังเพลงอยากจะกินอยากจะนอนมันก็ทําไม่ได้ใช่ไหมเห็นกิเลสตัวเราเองนี่แหละตรงนี้เป็นสิ่งสําคัญนะนี่มันก็จะได้เห็นความจริงว่าจริงๆมีความทุกข์ทั้งนั้นน ะ, ะเรานั่งนานละมื่อยมันก็ทุกข์แล้วหิวมันก็ทุกข์แล้วง่วงก็ทุกข์แล้วโดนยุงกัดก็ทุกข์แล้วเนี่ยมันทุกข์ตลอดก็ทาไมคนก็ไม่เห็นล่ะใช่ไหมแล้วทำไมเราเห็นนะอันนี้เป็นสิ่งสําคัญเลยเพราะมันพูด เ, เรื่องแบบว่าทุกข์เป็นสิ่งต้องรู้นะต้องรู้ทันก่อน ว่ามันทุกข์จริงๆถ้าคนไม่รู้จากทุกข์เขาก็ไม่มาปฏิบัติธรรมหลอกใช่ไหมเอาช้างไปดึงก็ไม่มาไม่มาหรอกจ้างให้มาเลยไม่มาเลยใช่ไหอแต่เรามาเพราะเราเห็นทุกข์นั่นเองนะการที่เราเห็นทุกข์เนี่ยที่เราโชคดีแล้วนะอ่าดีเราเห็นสุกขนะเห็นสุ ข, ขก็ติดสุขแต่เห็นทุกข์แล้วไม่ติดทุกข์หรอกแต่เราอยากจะพ้นจากความทุกข์เพราะเรารู้แล้วความทุกข์นี่มันน่า ก, กลัวนะอ่าครั้นี้พอเราเห็นแล้วเนี่ย เราจะได้เข้าใจว่าเรานี่เป็นคนโชคดีน ะ, ะที่เราได้หนุนทุกนะเพราะจริงๆแล้วการที่เราเกิดมนุษย์เนี่ยมันก็โชคดีอยู่แล้วใช่ไหมการเกิดมนุษย์นี้เขาเรียกว่าเป็นความโชคดีที่ยิ่งใหญ่นะอย่างที่ว่ามนุษย์มนุษย์โสปฏิลาโภคนะการเกิดมนุษย์ก็คือลาภันยิ่งใหญ่นั่นเองนะ พราะผู้ใดที่เกิดเป็นรนุษนั้นนะก็ว่าดยากเป็นอย่างยิ่งนะการนี้เราจะเกิดมนุษย์แต่ละทั้งเนี่ยเขเปรีเทีมือนเราต่าตาบอดตัวหนึ่งซึ่งอยู่ใต้มหาสมุทรเนี่ยต่อร้อยปีนะก็ย่อยโผลขึ้นมาเหนือมหาสมุทรสักครั้งหนึ่งและเหนือมหาสมุทรนั้นก็จะมีแอ่ล้อเกวียนนะล่องลอยอยู่นะ พอเมื่อสามารถโผล่มาแล้วเอาหัวเต่าเนี่ยเข้าไปในแอดลอเกเวียนได้เมื่อไหร่นั่นแหละก็คือการเกิดมันสักั้งหนึ่งนะมันยากมากทีเดียวใช่ไหมอย่าว่าแต่เต่าตาบอดเลยเนาะให้เต่าตา ด, ดีมันก็มองไม่เห็นหลอกใช่ไหมมันใหญ่โตขนาดนั้นมหาสมุทรนี่เห็นว่าการเกิดมันยากขนาดไหนเนาะแล้วก็ครูเจ้าได้ส่งสาธิตว่า ได้ส่งเอาเล็บเนี่ยช้อนติดฝุ่นติดไฟเล็บขึ้นมาแล้วถามว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายฝุ่นที่ติดไฟเล็บเรากับฝุ่นในมหาปฏิพีอย่างไหนจะมีมากกว่ากันพิสูจน์ลายก็ตอบว่าฝุ่นที่ติดไฟเล็บของพระองค์ไม่สามารถเทียบกับฝุ่นมหาปฏิพีได้เลยผู้เจ้าบริวชันได้ก็ฉันนั้นผู้ที่จะกลับมาเกิดใหม่เป็นมนุษย์นั้นหนึ่งก็น้อยเท่ากับฝุ่นที่ติดไฟเล็บเราส่วนผู้ที่ไฟยแล้วไปกำเนิดเกิดในกำเนิดอื่นนั้นมีเท่ากับฝุ่นในมหาปฏิพีนะ จริงๆแล้วมันก็มีการเกิดมนุษย์นี่มันน้อยขนาดนี้เลยเนาะครั้นี้เนี่ยครั้นี้มันจริงหรือเปล่าเราลองดูว่ามีสารเคมีใช่ไหมสารเคมีนี่แต่สินงที่ตาเราม่งเห็นก็มีแค่สองพูดครั้งก็คือมนุษย์กับเดรัจฉานนะดูที่ใครมากกว่าหรือเ่างมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานนี่แหละใช่ไหมอันนี้ไม่ต้องมากหรอกยกตัวอย่างว่าปาตัโซเป็นต้นเนาะตอนนี้พวกเรามีเต็มที่ก็ไม่เกิน4ี0 0นะแต่สัตว์เดรัจฉานนี่รับรองมีเป็นพันพันล้านเลยนะ อันนี้ถ้าใครอยู่ในป่าหรือบนเขาจะเห็นโอ้ตัวกยยะนะบางทีก็เดินกข บ, บวนเป็นเยาวเหยียดนะแมลงเยอะแ ย, ยะใต้ดินมีมดต้องมากมายนะมีสัตว์แมลงมากมายอ้าเพราะสัตว์เลฉานก็ไม่รู้ว่าเยอะควาต้องเท่าไหร่แล้วนะแล้วในภูม่มอื่นนี่มีต้องเยอะแยะนะอ่าเป็นสุรกายสันรกเทวดาเป็นพรมทั้งหลายเยอะนับไม่ถ้วนนะแต่ความมนุษย์นี่มันน้อยนะแล้วบางคนว่าเกิดเป็นเทวดามันก็ดีเหมือนกันเนาะทําไมต้องมาเกิดนมนุษย์นะ จะเห็พะพุทเจ้าแต่ัะพระองค์เนี่ยจะตัดสัตรู้นะก็ต้องมาเกิดมนุษย์กันนะเพราะการเกิดเป็นเทวดาก็ไม่ใช่ว่าดีนะอันนั้นเขาไม่มีโอกาสที่จะไปสร้างบุญต่อคือบุญที่เขาเกิดเป็นเทวดาเป็นบุญที่เขาสร้างแต่ปเป็นมนุษย์นั่นแหละแต่เขเป็นเทวดาเขาไม่มีโอกาสสร้างบุญนะพอบุญเขาหมดแล้วเขาตลับมาเกิดใหม่น่าจะเกิดเป็นสัตว์เลี้ยงช้าหรือเป็นสุรกายสัตว น, นรกก็ได้นะก็ไม่มีโอกาสเป็นเกิดมนุษย์ง่ายๆหรอกใช่ไหม แล้วเขาก็ไม่มีการปฏิบัติทำด้วยนะเพราะนั้นการเกิดมนุษย์ที่มันยอดเยี่ยมขนาดนี้ไงอ่าถูระต่ายวันที่1ติดกันร้อยครั้งก็ยังสู้เกิดมนุษย์ไม่ได้ใช่ไหมอ่าเพราะฉะนั้นเมื่อเราได้เกิดมนุษย์แล้วเนี่ยสิ่งเราต้องทาก็คืออะไรนะอ่าก็คือเราได้พบศาสนาไหมนะอันนี้เป็นโชคดีอันดับที่อ่าที่2ที่เกิดเจ็เป็นมนุษย์นะ เราก็ได้พบแปลพุทธศาสนาเราก็ได้พบแล้วปนะะการนิพพาเมื่อได้พบพุทธศาสนาแล้วและได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมนั้นไหมนะเราก็ได้พบแล้วนะได้ฟังธรรมได้ปฏิบัติธรรมแล้วอันนี้ถือว่าโชคดีอย่างมหาศาลของเราแล้วนะเราก็ใช้ความที่เราได้เกิดมนุษย์นในครั้งนี้นั่นแหละทําชีวิตเราให้สมบูรณ์ให้เต็มนะย้ายขัดทุนมาตะนิดเสียวนะ ถ้าเราเกิดมาขัดทุนนะก็คือเราเกิดมาปมเป็นมนุษย์นะแต่ชาติหน้าเราเกิดเป็นสัตเวเดรานอันนี้ชิวเราขัดทุนแล้วนะเขาเรียกว่าเราสว่างมาแล้วเรามืดไปนะแต่เราเกิดมปนุษย์ชาติหน้าเราเกิดปนมุษย์อีกอันนี้ก็ถือว่าเท่าทุนนะแต่ถ้าชาตินี้เป็นนุษย์ชาติหน้า ไปเป็นทิดาวรืมเป็นเพลมอันนี้ก็ยังอาจจะเรียกว่ากําไรนิดหน่อยแต่ก็กําไรไม่เยอะนะมันอาจจะขาดทุนในหลังก็ได้แต่ถ้าเกิดมนุษย์ชาติหน้าเรานิ้ผ่านโอเนี่ถือว่าเราอ่ะกำไรทต็ที่เลยนะถือว่าสุดยอดของกําไรแล้วนะเพราะนั้นสิ่งที่เราต้องทำํำในปัจจุบันนี้คือทําให้กิเลสในใจเราเนี่ยให้ลดน้อยลงไปให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะภพชาเราจะได้ลดน้อยลงนะเพราะว่าภพชาที่มันยาวภพกิเลสเรามันเยอะนั่นเองนะ แต่ถ้านพชาติมันน้อยลงก็คือกิเลสในใจเราลดลงก่อนเนาะเมื่อกิเลสในใจเราลดลงไปก่อนแล้วพบชาติก็จะน้อยตามไปด้วยนั่นแหละ อันนี้สามารถที่จะพิสูจน์ได้โดยตัวเองนะพรักงานผู้ใดที่ทํากิเลสลดลงไปให้สังยชตสามนะสังยุตมีสิบลดไปสามนะคือสักกา ย, ยึดชีพีความยึดมั่นถือมั่นในตัวตนวิจิตรฉาคือความลังเลสงสัยศิลิรัตตาผลามา้ ก, ก็คือการนับถูสิ่งต่างที่ไม่ใช่พระตภัณฑ์ใจเป็นที่พึ่งอาศัยนะแค่นี้เท่านั้นเองนะเราก็ได้เป็นพระโสดาบันเนะี่ยภพชาติมันก็ลดลงไปลือแค่เจ็ดชาติเป็นอย่างมากเนาะ ครั้นี้พอเราทําให้มากกว่านั้นอีกน ะ, ะเป็นเอกพิธีก็เหลือแชาติเดียวนะหรือเป็นพระสกิทาคามานีมาพระสกิท า, าคาร์มาีก็เหลือแค่าชาติเดียวเป็นมือชาติเดียวก็จบแล้วนะหรือเป็นเทวดาก็จบแล้วครั้ง น, นี้ถ้าเรา ขยันมาแล้วด็กเป็นทนาคามีนี่เราไม่ต้องกําเกิดเป็นมนุษย์แล้วนะก็ไปสาเร็จเป็นพนะครับก็เป็นพมอีกแค่าชาติเดียวแล้วก็สำเร็จผลนั้นเลยนะแต่เป็นพระอรหันต์นี่ก็จบเลยไม่ต้องมาเกิดเวียนวายตายเกิดทึงฟิ้นเนี่ยเพราะเป็นการที่ทําให้กินเรงเราลดลงเนี่ยเท่ากับเราทําให้ภพชาติเราเนี่ยลดน้อยเรไปด้วยนะเ<อ>พราะนั้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันสําคัญในทางศาสนาแล้วเนี่ยอ่า ถ้าเราคิดว่าเราเกิดมาชาตินี้ได้เป็นมนุษย์ได้พบภูศาสนาได้ไปบัติธรรมในครั้งนี้เราเกิดมาโชคดีแล้วเนีเราก็จะต้องต่อยอดความโชคดีเหล่านี้ให้ถึงที่สุดนะเขาเรียกว่าให้สุดซอยนั่นเองนะสุดซอยไปเลยนะทำให้หมดไปในชาตินี้นะจบชีวิตในชาตินี้ทำให้ถึงมิรคผลในชาตินี้ก็ถือว่าเรานะได้ใช้ชีวิตนี้อย่างสมบูรณ์ไม่ขาดทุน ถ้าเราได้พบผู้ศาสนาแล้วแต่เราก็ยังประมาทอยู่นะอันนี้ชื่อเรายังไม่ได้กินยาของผู้เจ้าให้แต่อย่างใดนะอันนี้เราก็ยังที่ว่าเราเป็นคนที่ทำชีวิตของเราเนี่ยไม่เต็มที่นะเขาเรียกว่าจะขาดทุนได้เหมือนกันเพราะถ้านเราไม่ไม่ไม่ไมทำ เม่อไม่ทํามันก็มีแต่ว่ามันก็จะลดลงอย่างเช่นการค้านะถ้าเราไม่ขยันทําให้แข่งกับคนอื่นเขาการค้าเราก็จะสุดลงอย่างรวนเร็วนะเพราะนั่นเมื่อเราไม่ทําจิตเราก็อยากลดลงเหมือนกันนะจิตมันก็มีกิเลสเข้ามาทันทีนะมันก็อยากนู่นอยากนี่ตัณหาก็จะเรียกร้องเราไปเรื่อยๆนั่นแหละก็จะการที่เราไม่ทำนะแต่เราทําปุ๊บเออมันก็หยุดได้เหมือนกันเขาเรียกว่าเมื่อทําแล้วมันก็ไม่หลงเมื่อหลงนะมันก็ไม่ทําหรือมันไม่รู้นั่นเองเพราะนัสิ่งเราต้องทํา คือเราต้องทําสิ่งต่างให้ดีขึ้นไปเรื่อยๆนะเราเดินบันไดแต่ละขั้นเนี่ยมันก็ต้องสําเร็จสักวันหนึ่งนะบางคนบอกการบรรลุธรรมมันยากจังเลยนะมันไม่มีโอกาสที่จะบรรลุธรรมในชาตินี้หรอกหรือไม่ถึงพระนิพพานในชาตินี้ไม่มีโอกาสเป็นพระอรหันต์อันนี้ไม่ใช่นะเพราะพระอรหันต์นี่ก็มาจากปุถุชนนั่นแหละใช่ไหมและการบรรลุธรรมมันก็ไม่ใช่บรรลุธรรมฉับพันธ์ทันใดโอ้บรรลุธรรมปุ๊โอลกสว่างสวัยกิเลสขาดฉับพันธ์ไม่จําเป็นนะ การที่บรรลุธรรมสามารถบรรลุธรรมได้ตามลาดับนะก็คือกินเลยก็ค่อยลดลงไปได้ตามลำดับบนะ า, า, ามทีที่เจ้าได้ส่งเป็ดเทชนี่ว่าเหมือนกับนายช่างนะ่ที่ใช้มีดเนะี่ยทำงานช่างไม่รู้หรอกว่ามีดมปนด้ามมีดสึกไปวันละเท่าไหร่แต่เมื่อใช้ไป น, นานๆก็รู้ว่าด้ามมีดมันสึกไปนะท่กินเลยเราเหมือนกันเราไม่รู้เรกาก็กินเลยของเราเนี่ยมันลดลงไปวละเท่าไหร่ แต่เมื่อนานๆเราเห็นนักกินเลยของเราลดลงไปแล้วนะนั่นแหละก็คือการที่เราบรรลุธรรมในตาลำดับนะเพราะงั้นการที่เราบรรลุธรรมในตาลำดับนี่คือการที่เราบรรลุธรรมจริงๆนะไม่ใช่ของฟอร์มเพราะเราสังเกตว่าเราจะไม่ย้อนกลับไปเกิดกิเลยเหล่านั้นต่อไปอีกแล้วนี่แหละ อันนี้คือคนทางที่ถูกต้องที่เราจะพ้นทุกข์ได้ในชาตินี้เนาะเพราะาเราไม่ต้งไปกลัวเราจะไม่บรรลุธรรมเรามีโอกาสบรรลุได้ทุกคนนะขอให้พวกเราบรรลุไปตามลําดับไปแล้วกันนะในท้ายสุดนี้นะก็ขอรัตนาบา ร, รมีคุณพระตาไตรมาน้อมนามให้พวกเราทุกท่านจเจริญด้วยศียงสติสมาธิสัญญาและถึงซึ่งความพ้นทุกข์ได้โดยเร็วพันทุกท่กทานเทอญ